ข้าพเจ้าพร ะ, ระมหาภับุญท่านปุณโญจากวัดป่าดอนไหโศมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้ตัวข้าพเจ้านั้นเป็นผู้ฟังคําสอนของผู้ที่สอนเอาไว้แล้วผู้ที่สอนคําสอนต่างๆที่เรามาเรียนรู้กันในด้านทางธรรมานั้นเนี่ยก็ผู้ที่สามารถจําแนกแจกตําออกได้ นั่คือพระพุทธเจ้าของเราเป็นผู้ที่สอนธรรมะบอกธรรมะเอาไว้ให้กับภิกษุทั้งหลายทั้งภิกษุด้วยทั้งข้าราชการด้วยทั้งพวกปาหมณ์ด้วยคนในวรรณะตามวรรณะสูงหรือนอกวรรณะอย่างไรพระพุทธเจ้าก็ได้สอนธรรมะเอาไว้ให้กับบุคคลเหล่านั้นในการที่เขาจะใช้ธรรมะในชีวิตประชามันของเขาได้ แตการที่จะใช้ธรรมะในลักษณะที่ไม่ใหเป็นงูพิษในลักษณะที่จะทําให้เกิดประโยชน์กับในชีวิตของตนของตนในลักษณะธรรมะที่เป็นแบบนี้ละ่ะที่พระพเจ้าจะนํามาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังในแต่ละวันและซึ่งเนื้อหาที่เราจะมาพบมาเจอกันนั้นก็เป็นเรื่องของปริยัติที่ไม่เป็นงูพิษแต่เพราะว่าความเป็นงูพิษเนี่ยมันมันมีอยู่แล้ว เน่ยไม่ว่าจะอยู่ในสิ่งใดก็ตามคือจะบอกว่าจิตใจของเราน่ยมีตัณหามีอวิชชามีความยึดถือไปจับอะไรเนี่ยมันเป็นงูพิษได้หมดในขณะที่เข้าไปจับก็ไปรู้เข้าไปสัมผัสก็ไปรู้แจ้งในสิ่งใดๆก็ตามสิ่งที่เป็นงูพิษนั้นที่เราเข้าไปจับนั้นโดยจิตใจที่ยังมีตัณหาอยู่ถ้าเบอกว่าจับไม่ดีงูพิษนั้นมันก็จะกัดได้ ก็คือตัวผิวหนังของงูเนี่ยนะมันไม่มีพิษนะท่านผู้ฟังแต่ว่าพิษอยู่ที่ในเขี้ยวมันอยู่ที่ในปากมันเพราะฉะนั้นถ้าเราจับผิวหนังนี้ไม่เป็นไรแต่ถ้าจับผิวหนังแล้วแล้วมันมาฉกอันนี้จะเป็นไรอยู่จะมีปัญหาอยู่เพราะฉะนั้นเราจะจับในลักษณะไหนที่ไม่ให้มันมาฉกไม่ให้มันมากัดเราได้เพราะว่าจิตใจที่ถ้ายังมีตัณหาอย่างที่ว่านี้แล้ว เ, เข้าไปรู้อะไร แต่เข้าไปรู้ในอะไรก็ตามอ่ะมีตัณหาอยู่เนี่ยอาจจะถูกสิ่งนั้นกัดได้อาจจะถูกสิ่งนั้นแหวงกัดได้กลายเป็นปัญหาได้เช่นถ้าจิตใจของเร า, าสมมุตินะแต่ยังมีความยึดถืออยู่ยังมีตัณหาอยู่ไปรับรู้คําที่เพื่อนบ้านพูดเอาทําไมเขาพูดอย่างเงี้ยเนี่ยเดี๋ยวมีปัญหาละเนี่ยสิ่งนั้นเขาอาจจะพูดดีอาจจะพูดไม่ดีอาจจะมีความหมายอย่างใดอย่างหนึ่งไม่รู้ละ่ะแต่ถ้าใจ มีตัณหามีอวิชชามีความยึดถือมันเอาสิ่งนั้นกลายเป็นโทษได้แต่มันทาให้สิ่งนั้นเป็นความเข้าใจผิดได้มีปัญหาได้หรือเข้าไปรับรู้สิ่งทั่วๆไปอย่งเช่นคําพูดของเพื่อนบ้านหรือว่าดูทีวีอย่างนี้เป็นต้นแต่ดูทีวีฟังวิทยุอ่านกล่าวหนังสือพิมพ์ถ้าบอกว่าจิตใจมีตัณหามีอวิชชามีความยึดถือแต่ซึ่งจะทําให้สิ่งที่เราเข้าไปรับรู้นั้นกลายเป็นงูพิษทันทีเป็นงูพิษแล้ว ถ้าจับไม่ดีแต่สิ่งที่เราเข้าไปรับรู้นั้นจะเป็นข้อมูลผ่านมาทางทีวีหนังสือหรือว่าทางคอมพิวเตอร์อย่างไรมันจะกลายเป็นพิษในจิตใจของเราได้ถูกมันกัดได้ถ้าเราจับมันไม่ดีอันนี้ยังรวมถึงของดีๆในอย่างเช่นแม้ธรรมานี้ด้วยก็ตามที่ถ้าบอกว่าจิตใจของเรายังมีความยึดถือไปจับของดีๆมีธรรมะ ม, มีข้อมูลที่พระพุทธเจ้าประกาศเอาไว้อย่างดีแล้ว จับของดีๆอย่างนี้ถ้าจับไม่ดีเนื่อ ง, งจากใจที่ยังมีตัณหามีอวิชชาธรรมะนั้นเป็นงูพิษสําหรับใจแบบนี้แล้วถ้าจับไม่ดีแล้วก็ถูกธรรมะนี้กัดได้เหมือนกันมีความเข้าใจผิดเหมือนกันแต่ในทางตรงข้ามตัมปุ่ฟังถ้าเบอกว่าจิตใ จ, ใจเราไม่มีตัณหาไม่มีความยึดถือแต่ไปจับอะไรเนี่ยมันไม่เป็นงูพิษล้วก็ไม่ต้องกังวลถึงว่าสิ่งนั้นเนี่ยจะมากัดเรา ถ้ไม่พิดแล่นเข้าสู่วใจถึงแม้จับของที่ไม่ดีก็ตามเอา้าเช่นใจิตใจที่ถ้าเมื่อไม่มีตัหาไม่มีอวิชชาไม่มีความยึดถือแล้วถูกนเะ้าด่าถูกเขาว่าเสียเสียหายหายอันนี้เป็นสิ่งไม่ดีละ่ะเป็นคอย่าเป็นคำไม่ดีแในะที่พระพุทธเจ้าให้ละเสียหรือไปเห็นคนเขาทาไม่ดีนะทําชั่วทําบาปทําผิดนะเห็นแล้วรับมาแล้วเนี่ยรู้แจ้งทางหูแล้วเป็นต้นเนี่ย แต่จิตใจที่ไม่มีตัณหาไม่มีอวิชชาเหล่านี้ทำให้สิ่งเหล่านั้นไม่ต้องพูดถึงว่ามันจะกัดเลยเพราะความเป็นงูพิษในสิ่งนั้นทั้งที่มันไม่ดีก็ตามแต่มันไม่มีแต่ที่ไม่มีเพราะว่าจิตใจที่ไม่มีตัณหาไม่มีอวิชชาไม่มีความยึดถือเหล่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าเรายังมีความรู้สึกว่าในใจของเราเนี่ยยังไม่ปราศจากราคาโทสะหรือโมหะอย่างนี้แล้ว ยังมีอวิชามีความยึดถือมีความขึ้นขึ้นลงล ง, ลงตามสิ่งต่างๆอยู่ทุกสิ่งเลยตัมบูฝั ง, งชี้ไปตรงไหนไม่เป็นงูพิษได้หมดความรู้ตรงไหนเป็นงูพิษได้หมดเราไปรับรู้เรื่องอะไรเป็นงูพิษทั้งหมดเลยเหมือนกับเราเดินอยู่ในกลางสถานที่ที่มันมีแต่ความอันตรายเป็นทั้งสิ้นเลยพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบกับแม่วัว แ, แม่วัวลูกอ่อนที่เพิ่งคลอดลูกใหมๆ่ๆ นมเนี่ยมันกําลังดีนกําลังออกนมให้ลูกกินอยู่ปรากฏว่าแม่วัวเป็นๆตัวนี้ไม่มีหิวหนังดำบัวงถูกหนังเนี่ยทลกออกหมดแต่แม่วัวตัวนี้ต้องเจ็บปวดแน่นอนแล้วก็จะถูกมแมลงเจาะกินตัวอะไรต่างๆเด้อก็จะตามกลิ่นฮอร์โมนมันมาละ่ะที่จะผลิตนมให้ลูกมันก็จะมากินแต่บัวตัวนี้ก็ไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหน เดีจะไปอยู่ใต้ต้นไม้จะลงในน้ําหรือจะยืนอยู่กลางแจ้งเราก็จะถูกสัตว์ที่อาศัยอยู่ในที่นั้นๆเนี่ยเจาะกินทำอันตรายอันนี้เปรียบเหมือนกับภัทธะธรรมฟังภัทธะถ้ามากระทบจิตใจที่ยังมีอวิชชาจิตใจที่ยังมีตัณหาแต่ตรงนี้ทําให้สิ่งที่มากระทบนั้นเป็นลักษณะงูพิษขึ้นงูพิษแล้วมันจะกัดหรือเปล่าคือถ้าจับไม่ดี มันกัดแน่มันจะเจ็บนันเจ็บก็จะมีราคาขึ้นมีโทสะขึ้นมีโมหะขึ้นันมันเจ็บอย่างนี้แต่ถ้าบอกว่าจับไว้อย่างดีแต ง, งูพิษที่เราเข้าไปจับหรือมากระทบเราเนี่ยมันก็จะไม่กัดนั่นก็จะรอดไปได้ในครั้งนั้นเปรยียบเหมือนกับใจที่ยังมีอวิชามีตัณหาอยู่นี่แหละแต่ถ้าปอว่ามีสติตั้งขึ้นไว้พยายามเข้าใจให้ถูกต้อง ในภาษาที่เรามากระทบสิ่งนั้นก็จะไม่ทําให้เกิดความเดือดร้อนใจไม่ทําให้เรามีความเข้าใจผิดนะครับทําให้เจ้าตันหาวิชาความยึดถือเนี่ยลอกออกไปด้วยล ะ, ละออกไปด้วยทําให้ถึงความสิ้นไปด้วยตรงนี้จึงสําคัญและบระหวังอธิบายมายืดยาวเนี่เพื่อให้เข้าใจว่าความรู้ความเรียนอะไรที่เราคิดว่าเราจะเอามารู้มาเรียนเพื่อที่จะเอามาลอกเจ้าตันหา หรือถอนดึงรากของอวิชชาขึ้นมาเนี่ยมันเป็นงูพิษนะเป็นงูพิษความรู้นั้นเป็นงูพิษเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าตัณหาที่เรายัางมีอยู่ในใจแต่ถ้าเราจับสิ่งนั้นไม่ดีจับความรู้นั้นไม่ดีสิ่งนั้นจะกัดเราได้แต่ถ้าเราจับดีในคุณสมบัติของมันในการแก้พิษในการถอนพิษในการทํารทประโยชน์ก็มีเหมือนกันแต่เราจึงมาทําความเข้าใจในเรื่องนี้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องธรรมะหมวดใดๆให้เข้าใจอย่างถูกต้องตามงระวังว่าธรรมะนั้นไม่ใช่เอาไว้สําหรับทิ่มแทงคนอื่นไม่ได้เอาไว้สําหรับในการที่จะคอยที่จะคว่มเขาและหมาถึงคนอื่นหรือว่าจะใช้ในการทิ่มแทงในการทําลายล้างคนอื่นให้สิ้นไปอันนี้รวมถึงตัวเองด้วยนะว่าธรรมะไม่ใช่เป็นไปในลักษณะนั้นแต่เป็นเครื่องในการตรวจสอบในการตรวจสอบว่าไอ้สิ่งไหนดี สิ่งไหนไม่ดีในสิ่งที่ดีเราก็เก็บเอาไว้เอามาทำเอามาปฏิบัติเข้าใจให้ถูกต้องแต่เมื่อเปรียบเทียบแล้วเขา้าใจถูกต้องแล้วปฏิบัติแล้วกิเลสมันก็จะถอนไปแต่หาวิชาความยึดถือก็จะค่อยลอกไปสิ่งไหนไม่ดีแต่ถ้าเร า, เามาเปรียบเทียบใช้แล้วรู้แล้วว่าสิ่งนี้มันไม่ดีแต่เราก็ละสิ่งนั้นสิ่งนั้นเสียแต่ามาใช้เป็นเครื่องในการตรวจสอบตัวเองด้วย ตรวจสอบกันเป็นหมู่คณะด้วยได้แต่ตรวจสอบแล้วก็ปฏิบัติให้ดีทำไม่ดีการปฏิบัติดีการปฏิบัติชอบที่ทำไว้ดีอย่างเนี้อันนี้ชื่อว่าเรารับธรรมะ น, นเป็นผู้ดีรับม ร, รดกโดยธรรมของพระพุทธเจ้าเอาว่าอย่างดีเพราะว่าม ร, รดกคือธรรมะนี้ท่าฟังพระพุทธเจ้าเนี่ยประกาศไว้อย่างดีแล้วจะใช้ความรู้ความสามารถของพระองค์ อย่างแรงกล้าอย่างมากทีเดียวในการที่จะคิดคน้นพิจารณาและค้นหาใคร้ครววในการกําหนดบทเปลี่ยนชนะที่มีความลึกซึ่งมีความแยบคายและคัดง้างไม่ได้จะเปลี่ยนแป ล, ปลงโต้แย้งให้เป็นไปอย่างอื่นเนี่ยไม่ได้และบทแห่งธรรมอันหนึ่งที่ข้าพเจ้าฟังแล้วซึ้งใจมากและที่พระพุทธเจ้ า, เาได้อธิบายเอาไว้กําหนดบทเปลี่ยนชนะเอาไว้แต่จริงๆแล้วก็ทุกบทล้วนะ ที่ได้กำหนดบทเพียนชนะไว้อย่างดีปนะระการไว้อย่างดีอนะธิบายไว้อย่างแจ่มแจ้งลึกซึ้งมีรายละเอียดหลายในมีส่วนเปรียบเทียบระหว่างสิ่งที่คู่ตรงข้ามให้เห็นถึงความแตกต่างว่าไหนผิดไหนถูกแลนะเมื่อเปรียบเทียบให้เข้าใจแล้วเราก็ยังมีการสรุปให้ด้วยทําความเข้าใจนั้นให้มีความแจ่มแจ้งมากยิ่งขึ้นหนึ่งในบทแห่งธรรมที่มีความสําคัญนะที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสอบายที่ ปาอีสิปั e 4, ปตนะมฤุกทายวันแตจริงๆแล้วอันนี้คือบทแห่งธรรมครั้งแรกที่ได้แสดงไว้กับภิกษุปัญจมกี่อันนี้เป็นการแสดงธรรมครั้งแรกแลเนื้อหาในพระสูตรนี้เราก็เรียกว่าธรรมจักกับปัตตนะสูตรซึ่งหมายถึงการที่สอนเรื่องธรรมะที่เป็นเสมือนกับจักรคือเป็นการหมุนนำหมุนไปในทางสายกลาง ในช่วงเรื่องนี้เราพูดกันอยู่เป็นประจำอยู่แล้ท่านผู้ฟังอธิบายถึงพระสูตรต่างๆในสัปดาห์ที่แล้วดใดท่านผู้ฟังได้ฟังเรื่องของสัจจะวิปังขสูตรที่พระพุทธเจ้ายกย่องท่านพระสารีบุตรแล้วก็ท่านพระมหมาโมคลานะและในที่นั้นท่านพระสารีบุตรก็ได้นำธรรมจักรกัปตนะสูตรเนี้ยมาอธิบายให้เราภิกษุทั้งหลายในที่นั้นฟังในฟังเรื่องนี้ทีไรท่านผู้ฟัง มันก็มีประเด็นมีเรื่องราวให้ออกมาคิดให้ออกมาพูดทำความเข้าใจแต่จึงจะใช้เนื้อที่ในช่วงของปริยัติที่ไม่เป็นงูพิษในวันนี้อธิบายประสูตรนี้เพิ่มเติมในประเด็นต่างๆรนดับแรกก่อนเราทําความเข้าใจเรื่องของจักรนั่นคือหมายถึงเป็นกงล้อภาพของจักรที่เราจะนึกถึงอยู่เป็นประจำเนี่ยก็มักจะเป็นจักรที่เป็นอาวุธหรือที่เปนเหมือนเป็นกงจักรเป็นลักษณะของบุ๋มแรง อย่างตราของราชวงจั ก, กรีเนี่ยเขาก็จะมีจักรใช่ที่หมุนไปหรือถ้าเราเคยดูหนังจักรจักวงๆเนี่ยเขาก็จะมีจักรที่แบบหมุนๆแล้วก็ไปตัดคอคนนะไปทำอันตรายคน น, นี่เป็นลักษณะของจักรที่เราจะเข้าใจกันนะเป็นอาวุธในลักษณะนั้นแต่ว่าคาว่าจักรที่มาในภาษาบาลีเนี่ยหมายถึงกงล้อโกงล้นะงอนี่ก็คือหมายถึงมันหมุนไป นะลักษณะของกงล้อที่หมุนไปก็คือพูดง่ายๆเป็นล้อเกวียนแตนะไม่ใช่เป็นอาวุธอะไรในลักษณะนั้นเป็นล้อที่หมุนไปได้ในะเวลามันหมุนไปเนี่ยมันก็จะเป็นทางไปแตนะ่ทําไมพระพุทธเจ้าถึงใจคําว่าจากนะซึ่งหมายถึงการหมุนแล้วก็ธรรมะนะก็คือหมุนธรรมะนะให้ไปทางนี้เพราะว่าในสมัยก่อนนะูในธรรมบวงชนะแต่ละคนก็มีความคิดแต่ละแบบ ในตอนที่ก่อนที่จะมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้นะหรือแม้แต่ทุกวันนี้ก็เป็นยังไรเหมือนกันแต่ฉันก็มีความคิดอย่างนี้ฉันก็คิดทฤษฎีนี้ขึ้นมาแต่คนนักวิทยาศัยคนหนึ่งก็มีความรู้แบบหนึ่งก็คิดทฤษฎีคิดกฎอะไรต่างๆแบบหนึ่งขึ้นมานักการตลาดนักเรรศรษฐศาสตร์อะไรต่างๆเขาก็คิดกันไปนตามเรื่องตามราวของเขาแต่และคนก็พยายามที่จะดึงไปพาไปตามทิศทางของตนของตนและซึ่งในการพาไปการดําเนินไปตรงนี้ มันเป็นเป็นทางเป็นช่องทางเป็นร่องรอยพาไปเดินไปซึ่งในช่วงสมัยที่พระพุทธเจ้ามาตรัสรู้เนี่ยก็มีการพาไปการดาเนินไปในลนักษณะต่างๆแบบนี้ที่เขาคิดคน้นความเห็นคิดค้นทฤษฎีอะไรต่างๆขึ้นมาเนี่ยก็มีทั้งหมด62อย่างแล้วนะแยกแยกกันไปไปคนละทิศละทางธรรมะนีนะ้ก็มาปฏิวัตินะพวกทิศ ท, ทางต่างๆเหล่ า, าลนั้นทั้งหมด นั่นคือให้ไปทางนี้นั่นคือทางธรรมะคือทางสายกลางน่ะหมุนบึ้มออกไปเลยน่ะเปลี่ยนแปลงที่มันจะไปทุกทิศทุกทางให้มันไปทางนี้นั่นคือทางที่จะไปตามธรรมนั่นก็เรียกว่าร่องรอยกงล้อแต่ของธรรมะนี้หมุนไปทางนี้ทางนี้ที่ว่าก็คือทางที่มันองค์ประกอบ8อย่างนั่นก็คืออริยามรรคมีองแปดแต่ที่นี้ไอ้เจ้าขนทางต่างๆอื่นๆที่มันไปแล้วมันตนันไปแล้วมันไปไม่ได้ ไปแล้วมันติดกัดแต่ที่ว่ามี62อง่างหลายทางเนี่ยถ้าเราจะแบ่งแยกให้มันเข้าใจง่ายก็คือแบ่งเป็นสองส่วนนั่นคือส่วนที่เป็นสุดโตรงข้างหนึ่งกับสุดโตรงอีกข้างหนึ่งในลักษณะความเป็นสุดโตงเนี่ยคือเป็นทางเหมือนกันในเป็นทางที่ไปแล้วมันจะตัน แ, แต่ทางธรรมไปแล้วมันจะไปได้นะแต่ถ้าทางอื่นๆนอกนี้ทั้งหมดมันจะตั น, นจะไปตันที่ไหนได้บ้าง ก็ไปตันจบอยู่ที่เรื่องของกรามอันนี้อันที่หนึ่งหรือไปตันจบอยู่ที่เรื่องของการตรมานตัวเองอันนี้อที่สองเนี่ยซึ่งไม่ว่าจะไปทางไหนมันก็จะไปตันจบอยู่ที่2จุดนี้แต่เมื่อฟังอาจจะลองนึกภาพตามนี่ยมันกบว่ามีสิ่งอะไรที่พยายามจะลากน่ไปทางนั้นทางนี้ไปทุกที่ทุกทางเลยแล้วอยู่เนี่ยก็มีล้อยักนมุนมาบึ้มเป็นร่องที่ลึกแล้วก็เป็นร่องที่กว้าง ก็เป็นร่องที่หนักแน่นนะไปทางนี้ไปทางนี้วิ่งไปข้างหน้านี่นะทางอื่นมันสั่นสะเทือนไปหมดนะไปทุกทิศทุกทางหมดนะการปฏิวัตินะคือทําร่องรอยขึ้นใหม่หมุนขึ้นใหม่ให้เป็นไปตามทำเนี่ยเป็นร่องรอยหรือว่าเป็นช่องทางเป็นทางที่ทําไว้เนี่ยคนอื่นเนี่ยจะมาลบล้างไม่ได้เพราะว่าร่องนี้มันลึกมีความเข้มแข็งมีความชัดเจนอยู่ในตัวมันนะเป็นสิ่งที่ ใครๆจะคัดง้างไม่ได้แต่กาว่าคัดง้างไม่ได้เนี่ยพระพุทธเจ้าได้ตรัถึงเรื่องของอริยสัจสเรื่องของอริยร 4, มรรคมีองค์แพวกนี้ก็เดินจะมาเถียงมาให้เหตุผลมาทําการวิพากวิจารณ์ ว, ว่าตัญหาเนี่ยมันไม่ใช่เหตุของทุกเนี่ยเขาจะไม่สามารถตทำได้อันนี้คือหมายความว่าคัดง้างไม่ได้นะคือไม่สามารถที่จะคัดง้างได้เลยว่าตัญหาเนี่ยไม่ใช่เหตุของทุก ไม่สามารถที่จะเถียงไม่สามารถที่จะยกเหตุผลมาประกอบการอธิบายความเห็นของตนว่าตัณหาไม่ใช่เหตุของทุกเนี่ยเขาจะไม่สามารถทำได้หรือจะพยายามที่จะคิดค้นหาเหตุผลอย่างไรตัวอย่างประกอบที่บอกว่าขันห้าไม่ใช่ตัวทุกเนี่ยเขาจะทำไม่ได้ทุกครั้งที่ข้าพเจ้าได้ฟังได้สวดได้อ่านธรรมจักรกับปตนะสูตรในตะบวัง ความรู้นี่มันจแจ่มแจ้งขึ้นมาเลยว่าไม่มีใครที่จะมาคัดง้างโต้เถียงได้ว่าขันห้าเนี่ยมันไม่ใช่ทุกแต่เขาเขาไม่สามารถทําได้แต่มันจะไม่เป็นการที่กระทําได้โดยธรรมนะคือถ้าจะมาบังคับบีบคอเราให้พูดว่าขันห้าเป็นสุขก็อาจจะทําได้อยู่แต่นั้นไม่ใช่โดยธรรมนั้นไม่ใช่โดยชอบด้วยเหตุผลแต่ถ้าเป็นไปโดยธรรมะเป็นไปโดยไม่ใช่อาจฉรยะไม่ใช่ศาสตรา นักปราชญ์วินยาชนก็จะพูดคุยกันวิพากษ์วิจารณ์กันเนี่ยเขาจะไม่สามารถทําได้เลยแต่จะไม่สามารถที่จะเถียงหาด้วยเหตุผลหรือการทําวิจัยมีทฤษฎีอย่างไรแต่ที่ถ้าบอกว่าริมัสมีอง8เนี่ยไม่ใช่ทางที่นําให้ตัณหามันสิ้นไปเนี่ยเขาจะไม่สามารถทําได้แตเขาจะตัดไปบางข้อเหลือ6ข้อหรือสข้อแล้วก็บอกว่าไอ้นี้ก็ทําตัณหาให้สิ้นได้เหมือนกันนั้นมันไม่ได้แต่เพราะมันมันอยู่ในเนี้ มันเป็นอย่างเนี้ยมันไม่เป็นไปอย่างอื่นมันต้องไปตามทางนี้หมุนแล้วเปลี่ยนแปลงไม่ได้แต่ก็ว่าเปลี่ยนแปลงไม่ได้เนี่ยหมายกว่ า, วาคณอื่นจะมาเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปอย่างอื่นเนี่ยมันไม่ได้เริยสัจจะมาเหลือ3ข้อมันมันไม่ใช่แล้วรูปแบบการเข้าใจาการทาความแจ่มแจ้งเข้าใจเป็นลำดับเป็นขั้นเป็นตอนเนี่ยก็ต้องมีไปเป็น3ขั้นตอนตคือในอันดับแรก ถ้าเราจะมารู้เรื่องคำสอนตรงนี้ช่องร่องขนทางที่พระพุทธเจ้ า, าได้พาดาเนินไปเนี่ยคือกรงล้อคือธรรมะเนี่ยก็จะต้องเริ่มตั้งแต่การที่เรารู้เรื่องว่าเฮ้ยมีธรรมจักนี้อยู่ซะก่อนน่มีธรรมะแบบนี้อยู่น่มีช่องทางมีร่องมีขนทางแบบนี้อยู่แต่คือถ้าไม่เคยได้ยินคำว่าพุโทโธธรรมโมหรือสังโคเลยเนี่ย ก็ไม่ต้องพูดถึงว่าคุณจะมารู้อริยสัจสี่แต่ถ้าคุณได้เคยได้ยินชื่อว่าพุทโธหรือได้เคยยินชื่อของธรรมโมหรือสังโฆเนี่ยถึงจะเริ่มรู้จักกันในเช่นเดียวกันถ้าบอกว่าเราไม่เคยได้ยินได้ฟังเรื่องของอริยสัจ4ในการที่จะมารู้มาทําความเข้าใจมันจะเกิดขึ้นไม่ได้อย่างน้อยเราก็ต้องได้ยินได้ฟังอ๋อ oh, oh, มีนะอออริยสัจสี่ เ, เขพูดกันโอเคนี่คือความรู้อันที่หนึ่งยังไงคุณจะต้องมีนะรู้ว่ามันมีอยู่ รู้ความมีอยู่ของสิ่งต่างๆเหล่านี้และที่สําคัญก็คือจะต้องรู้ด้วยนะนที่ว่าแต่ละอย่างในสอย่างเนี่ยควรจะต้องทํำยังไงกับมันแต่คือถ้าเขาจะมาถกเถียงวิาพากษ์วิจารณ์ว่าตันหาเนี่ยเหรอโอเคใช่อยู่ละน่ะเป็นเหตุของความทุกข์แต่ว่าเราเก็บไว้ก็ได้น่ะไม่ต้องละมันเขาจะไม่สามารถขัดง้างได้ตะวหวังก็ใช่ไหมมันไม่มีความเป็นเหตุเป็นผลมันไม่สมควรด้วยเหตุผลมัน ไม่ไม่ได้เรื่องเลยถ้าจะพูดอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นกิจที่ควรจะต้องทําเกี่ยวกับเรื่องตัณหาเนี่ยคือให้ละมันเสียและนี่คือข้อที่สองที่เราจะต้องเข้าใจใกิจที่ควรทําต่ไม่ใช่แค่รู้ว่าอาริยสัจสมีดีโอเคกันง้างไม่ได้แล้วก็แฮปปี้ละพอและสบายใจละฉันรู้ละอาริยสัจสมันไม่ใช่แต่ไมนต้องรู้ขั้นตอนที่2ต่อไปอีกว่าความทุกข์เนี่ยมันต้องทําความเข้าใจนะไม่ใช่ว่าทุกข์เนี่ยให้ละตัณหาเนี่ยต้องละนะ ไม่ใช่ว่าให้เก็บเอาไว้อันนี้ต้องทำความเข้าใจให้ถูกต้องเรื่องของมักแต่คื อ, อริยามักไม่องแปลกยต้องทำให้มันมากมากถ้าใครยังไม่เข้าใจประเด็นนี้นะอันนี้ต้องเป็นเรื่องที่สําคัญมากเลยแต่ไม่งั้นมันจะเป็นงูพิษได้แต่จะ อ, อุตส่าห์ท่องอริย ส, สัจสได้จะ อ, อุตส่าห์ไปปฏิบัติทํามีการให้ทานทําบุญที่นั่นที่นี่แต่มีจิตใจเป็นบุญเป็นกุศลแต่ทำไมการปฏิบัติไม่เห็นก้าวหน้าเลยทําอะไรก็ไม่ได้ก็ไม่รู้ไอ้ที่เข้าใจเรื่องการปฏิบททัติมันถูกต้องหรือเปล่าแต่เข้าใจหรืออเเปล่่่าาาาววาควมยยกนี เก็บไว้ไม่ได้แต่อยากให้จิตเป็นสมาธิบ้างอยากได้นู่นอยากได้บุญเมาบุญหลงบุญมันก็พลาดนะสิมันก็เข้าใจเรื่องที่สองนี้ไม่ถูกต้องแต่ความรู้ที่เราจะต้องมารู้ว่าจะต้องทำอะไรกับสิ่งนี้จะต้องทำอะไรกับเรื่องของปัญหาจะต้องทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องของขันหา้าจะต้องทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องของนิพพานหรือนิโรธจะทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องของศีลสมาธิปัญญา แต่ความรู้ในขั้นตอนที่สองนี้ก็ต้องมีด้วยมันถึงจะไม่เป็นงูพิษมันถึงจะเข้าใจถูกมันถึงจะเรียกว่าเป็นไปตามทางที่พระพุทธเจ้าได้สอนเอาไว้ได้คือถ้าเราจะไปคิดว่านิโรธเนี่ยหรอก็อย่าเพิ่งไปทำให้มันแจ้งเลยโนะยนทิ้งไว้ก่อนแล้วก็ไม่ชื่อว่าทากิจที่ควรทำนั้นอย่างถูกต้องแต่ความรู้ความเข้าใจของตัวเองที่มีนั้นก็จะ เริ่มกลายเป็นงูพิษละ่ะก็เลยเหมือนกับว่างูพิษนั้นเริ่มจะกัดแล้วลเริ่มถูกกัดแล้วแต่ความเป็นงูพิษนั้นมีตั้งแต่จิตใจที่เรามีตัณหามีอวิชชาอยู่แล้วแตนะ่ถ้าจับไม่ดีเข้าใจไม่ถูกมันจะเริ่มกัดความเข้าใจไม่ถูกก็คือเข้าใจที่มันไม่ตรงกับความถูกต้องนั่นละ่ะเนะว่าทุกนี่มันต้องทําความเข้าใจเข้าใจให้ถูกต้องว่าตัณหานี่มันจะต้องละเสียเข้าใจให้ถูกต้องว่านิโรธ ความดไม่เหลือของตัณหาเนี่ยต้องทำให้มันเกิดขึ้นทําให้มีขึ้นทําให้แจ้งขึ้นให้ได้ถ้ายังจะมาเข้าใจว่าอย่าเพิ่งละตัณหาจะต้องเก็บตัณหาเอาไว้เพื่อที่จะให้ก้าวหน้าในหน้าที่การงานอันนี้เข้าใจไม่ถูกนี่ทำความสมดุลในธรรมะให้เกิดขึ้นไม่ได้ก็ต้องปเปลี่ยนแปลงความเป็นตรงนี้แต่เข้าใจให้ถูกต้องว่าศีลสมาธิปัญญาเรียรมารคมีองค์แนี้ต้องทําให้มากๆไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดที่ถูกกดดัน อยู่ในสถานการณ์ที่ไม่น่าพอใจเจอปัสสะต่างๆนานาแล้วแม้จะยกเบ้นข้อนี้ไว้ไม่ทําข้อนี้น่ยมันไม่ได้อันนี้ต้องทําให้มากๆไม่ว่าจะเจอผัสสะเจอเบตนาที่ชอบใจหรือไม่ชอบใจเนี่ก็ต้องเจริญมรรคแปดเนา่ยทศีลสมาธิปัญญาของเราท่งเอาไว้ให้ได้แต่ความรู้ตรงนี้จะเป็นเรื่องดีสําคัญในส่วนที่2แล้วในการที่เราจะทําให้เรื่องของอริยสัจ4ีนี้ แล้วเข้าไปในหัวใจของเราได้ไม่ใช่อยู่เฉพาะที่สมองจําจได้ทั้งบาลีทั้งภาษาไทยสวดได้คล่องปากจําจขึ้นใจในคาพูดต่างๆแล้วเนี่ยจะทำให้มันเข้าไปสู่ในหัวใจของเราแต่คือความรู้ที่เราจะต้องรู้ว่าเอออริยามรรคแปนเนี่ยฉันทาให้เกิดขึ้นได้แล้วทำให้เจริญแล้วแต่ความเจริญในเรื่องของมรรคแปนนี่ก็ มีเป็นลำดับขั้นไปอีกาจากน้อยๆทำได้มากขึ้ น, นาจากทำได้มากขึ้นเฉพาะที่อยู่ในวัดก็ทำมากขึ้นในชีวิตประจำวันด้วยจากทำมากขึ้นในชีวิตประจำวันเฉพาะในบางเรื่องบางอย่างแต่ก็ทำไปได้ทุกๆเรื่องทุกๆอย่างจากในที่ทำได้มากเฉพาะในเกี่ยวกับบางคนแต่ก็ทำได้กับทุกคนทุกคนแต่ไม่มีข้อยกเวน้นแม้กระทั่งคนนั้นเป็นคนดีคนชั่วยอย่างไรก็ตาม แล้วก็ทําไปปฏิบัติไปแล้วทําความดีไปทําให้ถึงแล้วในความเจริญที่เป็นลําดับขั้นขึ้นไปจนสุดเนี่ยให้เจริญได้มากที่สุดทั้งจิตใจภายในภายนอกหรือคือนํามธรรมะเข้ามาสู่หัวใจในเรื่องก้อนหให้ทําความเข้าใจด้วยในเรื่องตันหาให้ละมันทิ้งเสียด้วยในเรื่องความดับของตันหาทําให้แจ้งเสียด้วยใน4อย่างนี้มันก็มาด้วยกันแต่ระวังมาด้วยกัน อยถ้าเราทำอันใดอันหนึ่งแอันอื่นๆก็ไปด้วยกันก็จะมีความก้าวหน้าไปแธรรมะในหมวดใดๆที่พระพุทธเจ้าบอกเอาไว้สอนเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเมตตาเรื่องการเห็นความไม่เที่ยงหรืออาอนาปานาสติเรื่องของสวรรค์นรกอย่างใดๆก็ตามก็จะมารวมอยู่ในอริยสัจ ส, สีนี้แต่อย่างเรื่องของสวรรค์นรก มัอยู่ตรงไหนในเยสสตรีมันก็จะไปอยู่ในเรื่องของขันทั้งห้าในประว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ในพบใดภูมิใดในสามพบภูมินี้ตรงนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นโลกโลกนี้บ้างโลกหน้าบ้างแต่โลกไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนมันก็จะมีขันห้าหมดรูปเิทนาสัญญาสังขารวิญญาณะไม่หนีไปจากนี้มันก็ใช้5อย่างนี้รีไซเคิลกันไปใช้กันไปกันมาผสมกันออกมาเป็นสวรรค์บ้าง ผสมกันออกมาเป็นสัตว์นรกบ้างสัตว์เดรัจฉานบ้างออกมาเป็นพรมทั้งที่มีรูปบ้างไม่มีรูปบ้างก็ใช้ส่วนประกอบต่างๆเหล่านี้ผสมเอามาใช้ซ้ําใหม่อีกาตายแล้วก็ถอดทิ้งกายนี้ไปเอามาใช้ซ้ําคนนี้ก็เปลี่ยนแปลธาตุต่างๆไปส่วนที่เป็นเจ้าอากุศลธรรมต่างๆแต่มีการคิดชั่วพูดชั่วทําชั่วและความอาฆาตมารร้ายพยาบาทพวกนี้มันก็จะมีอยู่สองมุม ถ้าตัวของมันเองเป็นความไม่ดีเนี่ยเราก็จัดอยู่ในหมวดของเจ้าตันหาเป็นความยึดถือที่จะเราจะต้องละมันเสียแต่ถ้าเราดูในมุมของการที่เราจะนํามาเป็นเครื่องกูดกล่าวเช่นเราเห็นคนทําให้ดีมีเจ้าอากุศลธรรมต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยแล้วเราก็มีความคิดว่าเออฉันจะไม่ทําแบบนี้หรอกแต่ความคิดความเห็นที่เรามองเจ้าสิ่งที่เป็นอกุศลอีกด้านหนึ่งที่ว่าฉันจะไม่ทำเนี่ย ความคิดความเห็นในลักษณะนี้ก็เป็นเรื่องของมรรคแต่จัดอยู่ในส่วนที่สีที่เรียกว่าเป็นทางดำเนินถึงความดับทุกข์แนตะ่เราเข้าใจเรื่องนี้สําคัญมากๆถึงผู้ฟังแตนะ่สําคัญสําคัญมากๆแตนะ่เป็นพระสู่รแรกที่พระพุทธเจ้าอธิบายเอาไว้นะครับภิกษุบรญจวกีแตนะ่อย่าให้เรื่องนี้เป็นงูพิษเด็ดขาดนะไม่งั้นอย่างอื่นมันจะคว่ำไปหมดเทไปหมดมันจะจิ๋งเฉียงตะแบงตะแบงชีข้างเข้าตูไป ในการปฏิบัติของเราจะไม่ก้าวหน้าแต่เราทำความเข้าใจในเรื่องอิยสสัตตีนี้ให้ถูกต้องแม้จะนำมาท่องได้ในสุดได้ทั้งบาลีทั้งไทยเนี่ยมันจะดีมากเพราะว่าตรงนี้เป็นร่องช่องทางนะเป็นล้อเป็นกลงล้อเป็นที่ที่จะหมุนไปแลนะเป็นทางใหม่ที่พระพุทธเจ้าพาเดินนะเป็นเส้นทางใหม่ที่ปฏิวัติการเดินทางในสมัยนั้นทั้งหมด เดินที่จะไปพาไปทุกที่ทุกทางมันก็จะไปตันอยู่สักมุมใดมุมหนึ่งละ่ะแต่เป็นทางใหม่เดินที่ได้พาดําเนินไปแน่นอนล่ะ ว, ว่ากายนี้ทางที่สุดของกายเนี่ยมันก็คือความตายแต่คนเกิดมาแล้วไม่ตายไม่มีล่ะมันจะไปสุดตรงนั้นแต่ใจของเราถ้าเดินไปตามทางคือธรรมะที่พระพุทธเจ้าพาดําเนินเอาไว้ไปตามทางนี้ไปตามกรลงล้อนี้ที่หมุนไปตามธรรมแต่ไปตามร่องรอยนี้แล้วจะ ถึงความเป็นอมตะได้ถึงความไม่ตายได้ถึงความสุขอันเกษมได้ร่างกายที่มีแต่จะแย่ลงเหี่ยวลงเน่าแก่ลงแต่จิตใจนั้นให้มีความดีขึ้นเจริญขึ้นสูงขึ้นมีกำลังมากขึ้นร่างกายเราก็ดูแลไปให้อาหารมันเวลาที่มันหิวให้ยามันเวลาที่มันป่วยให้มันพักบ้างเวลาที่มันเหนื่อยแล้วมันก็เป็นไปอย่างนี้ อาจจะดีขึ้นบ้างอาจจะแย่ลงบ้างก็ไปไปตามธรรมชาติของมันในใจิตใจของเราก็ต้องมีการให้อาหารในเวลาที่มันหิวมีการให้ยาเวลาที่มันป่วย ใ, ให้มันพักบ้างเวลาที่มันเหนื่อย ใ, ให้อาหารเวลาที่มันหิวเราก็ต้องมีธรรมะให้หล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลาในศีลสมาธิปัญญาเนี่ยให้เข้าไว้ไหนกินเข้าไว้ให้ใจิตใจมันโตได้เจริญไปได้เวลาที่เหนื่อยก็ให้พัก ถ้าเหนื่อยใจมากมีความเครยียดความอะไรก็เข้าสมาธิบ้างนะให้เข้าสมาธิแต่ใจใจเนื่อก็จะได้รับการพักผ่อนแตนะ่ถ้าเวลาไหนที่มันป่วยมันไม่สบายก็ให้ยามันบ้างในะยาในที่นี้ก็คือการสํารอกเรื่องสิ่งที่เป็นอกุศลนะราคะโทสะโมหะถ้ามันมีแล้วมันจะป่วยมันจะเจ็บเนี่ยก็สํารอกมันออกมาจากใจนะโดยใช้อริยมรรคแปนี่แหละเป็นยาสํารอกยาทายที่เป็นอริยะนะใจเราก็จะ สูงขึ้นได้ดีขึ้นได้แต่จะเข้าถึงความเป็นอมตะได้นนในที่นี้ก็คือหมายความว่าใจนั้นก็จะไม่มาเจ็บมาป่วยมาหิวมาเหนื่อยอีกนั่นมันจะถึงความเป็นอมตะแตใจนั้นก็จะสบายละ่ะสบายไปตลอดจากนั้นใ น, นเรื่องของอริยสัจสี่ท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าอธิบายไว้ครั้งแรกเป็นสิ่งที่ต้านทานให้เปลี่ยนแปลงไปทางอื่นไม่ได้แต่เราจะมาบอกว่าตัณหาต้องเก็บเอาไว้ หรือว่าทุกไม่ต้องทําความเข้าใจจะคัดง้างเปลี่ยนแปลงทําความเข้าใจเป็นอย่างอื่นไม่ได้แต่มันต้องเป็นไปอย่างนี้บุคคลที่เข้าใจเรื่องอริยสัจสอย่างถูกต้องได้บูฟังแต่เป็นผู้ที่ไปตามทางแต่เป็นผู้ที่ช่วยกันหมุนกงล้อนี้ให้เป็นไปแล้วกงล้อนี้พระพุทธเจ้าได้มุนเอาไว้แล้วครั้งแรกในที่ปาอีสิปัตนะมฤคตยวันเรามาตามทางนี้ก็ถือว่าเป็นผู้ที่เดินตามทางเป็นผู้ที่ หมุนกรงล้อที่มันหมุนไว้อยู่แล้วนี้น่ให้มันเป็นไปได้น่ให้มันไปต่อได้ให้มันมีแรงมีกําลังที่จะส่งไปในรุ่นต่อๆไปธรรมะที่เราได้ยินได้ฟังนี้ก็เพราะว่าเขาส่งมาสืบต่อกันมาจากรุ่นก่อนๆมาจนถึงเราเดี๋ยวเราไม่ใช่แค่จําได้ไม่ใช่แค่รู้ว่าต้องทําอย่างไรแล้วก็ทําได้ด้วยอย่างนั้นเนี่ยเป็นบุตรจว่าสามารถที่จะสืบต่อธรรมะ สามารถที่จะทรงต่อธรรมะให้รุ่นลูกรุ่นหลานของเราได้ใช้ประโยชน์จากความรู้ต่างๆเหล่านี้ให้ถึงความดับทุกข์ให้ถึงความที่ใจมันจะสบายใจมันจะเย็นปเปลี่ยนเจ้างูพิษนี้ปเปลี่ยนงูพิษที่อยู่ในใจของเราที่มันมีตัณหามีอวิชชาเนี่ยปเปลี่ยนให้มันเป็นประโยชน์นำพิษนั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์จะทำให้เรานั้นเข้าถึงความสุขช่วยนิรันการได้ ถ้าท่านประฟังยังมีคำถามข้อสเสนอใดๆสามารถติดต่อกับทางรายการโดยส่งเป็นจดหมายหรือใบษณนอบัตรหรือปรไปที่เว็บไซต์พิอตมะดอทคอมได้ข้าพเจ้าพระมาหาภัยบุญอภิปุณโนเจริญปอน